นัโมตถะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตถะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะธมโมจิโนสุจิโนทุกขมาหติ ทางที่ประพฤติดีแลว้วย่อมนำสุก ม, มาให้อิมัจฐธรรมะปริยายัสะอโทสะยัสมันติสะกัจจังธโมโสตบโบตีเอามือลงทุกคนทุกคนควังใช้หูกับจิตจอกันเอาหูงเราเหมือนกับหลางน้ำ เอาเสียงกับสายฝนหูเราก็ตั้งไว้จิตใจของเราก็จิตเท่งเราเหมือนก็โอ่งน้ำต่อไว้ที่ประสาทหูหูในที่ได้ยินจิตเครื่องประดุดตังโอ่งน้ำเหมือนกับโอ่งน้ำนั่นก็ตั้งเอาไว้ เมื่อเสียงเกิดขึ้นก็จะหลายผ่านหูไปสู่จิตจิตก็จะได้รู้เพราะหูไม่หน้าที่ได้ยินอย่างเดียวเท่านั้นเนี่ยจะพูดดีไม่ดีหูเออจิตเขาไม่รู้ไ อ, อ้หูไม่รู้หรอกแต่มีหน้าที่ได้ยินแต่จิตมีหน้าที่รับรู้เสียงต่างๆเป็นเสียงคนเสียงสัตว์ เสียงธรรมะหรือเสียงลมพัดเนี่ยจิตรู้เพราะหน้าที่ของอวัยวะในร่างกายมันทำหน้าที่ต่างกๆๆันเรียเหมาเอาว่าตาเห็นแล้วก็ตารู้ไม่ใช่ตามีหน้าที่เห็นอย่างเดียวลองสังเกต่ที่ตาเรามีนาที่เห็นอย่างเดียวแหละเห็นเป็นรูปคนรูปสัตว์นี่มันก็ เขารู้ว่าคนหรือสัตว์เสียงดีเสียงไม่ดีเนี่ยหูอ่ะติดเขาก็รู้มันหลายผ่านหูเขามาเพราะนั้นการฟังเทศความธรรมเราต้องตั้ง อ, อกตั้งใจฟังทั่วะยะเวลาเท่าไหร่ชั่วโมงก็ใหงก็พยายามตั้งใจฟัง เพื่อนาเอาธรรมะอันละเอียดอ่อนของ พ, พระธรรมพุทธเจ้าชิบะองค์ตรงตรัดเอาไว้แล้วก็ผู้ทาการศึกษาเอามาปฏิบัติจนสามารถรู้และเข้าใจถึงจิตใจของเราธรรมะต้องเอาถึงจิตมันจะบังเกิดผลถึงการดำรงชีวิตอย่างมีเอกภาพหรืออย่างมีเอ เอกะเพื่อให้จิตน kind of like ั <desserts> paper, him, mm ้นเป็นหนึ่งไม่ใ <imen> ช้จ่ายไม่ใช้อารมณ์ของจิตสุรุยสร่ายเหมือนคนใช้ปัจจัยไม่เป็นเมื่อจิตของเราไม่สงบมันก็จะขนองลำพองไปตามอวัยวะต่างๆเช่นเสียง ก็จะมันเกิดขึ้นจากจิตที่รับเสียงมาเสียงดีเสียงไม่ดีกิเลจะเกิดเกิดตรงนี้แหละธรรมดาของจิดอยู่ที่เฉยมันก็ไม่เกิดอะไรหรอกถ้าหูไม่รับสัญญาณต่างๆอวัยวะทั้งหลายตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ไม่ถ่ายทอดสัญญาณมาเหมือนกับ ก, การถ่ายทอด สื่อต่างๆเหล่านี้จากเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพราะนั้นจี่จึงมีหน้าที่สำหรับรับรู้อารมณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นนอกจากสื่อที่จะมาจากรูปเสียงกลิ่นรสอย่างนี้แล้วสื่อมาไ ด, ได้หลายรูปแบบ จะมาทางตาก็ได้ตาเรากับตาเขาประทบกันอย่างนี้มันก็สื่อกันได้ชอบใจไม่ชอบใจรักหรือเกลียดเราจะมองเห็นกลีาจะแดงออกทางความเคลื่อนไหวอวัยวะต่างๆนี่นี่หละ แม้แต่สีสันวัานน่าก็เป็นสื่อได้คนเราบางคนนี่เพียงเห็นหน้าปั๊บก็สีตกทันทีก็มีเพราะว่าถ้าก็จิตเราหวั่นไหวแล้วเนี่ยเลือดลมในร่างกายจะวิวิปริตแปรผันไปแล้เมื่อจิตของเราต้องผัดจิตเกิดอารมณ์โกรธ จากสัญญาณที่ถ่ายทอดมาทางตาบ้างก็ดีทางเสียงก็ดีย่อมทำให้จิตเรารับอารมณ์ที่ได้ถ่ายทอดมาจากตาจากหูเหล่านั้นมาสู่ฟสัมผัสของเราเครื่องรับของเรามันรู้ได้ว่าคนเนี้ย ไม่ต้องตาเห็นแต่เพียงได้ยินเสียงนั้นรู้เลยหมายถึงอะไรแล้วสื่อสัญญาเหล่านั้นก็จะทำให้เราเกิดความอารมณ์วิปริตแปรผันทันทีเดียวเกิดโกรธขึ้นมาเนี่ยถ้าโกรธเนี่ยมันจะทำอะไรให้เรารู้สึกเป็นยังไงทำจิตของเรา สิทธิ์โกรธจะส่งส่งงานนี้ให้ใจทำงานใจไม่รู้อะไรแล้วมีหน้าทีข่ของมันก็คือสูบฉีดโลหิตไปเราเลี้ยงร่างกายตามธรรมดาตึ๊บตึ๊บตึ๊บเราหลับมันก็ทำงานตื่นก็ทำงานวันใจเนี่ยทำงานมากอยู่แล้วเราควรจะอย่อยาอย่าเอาอย่าให้หัวใจได้ทำงานหนักกว่าการทำภา ร, รกิจของเขา สบฉีดหรรโหิตบริลิงกายเท่านั้นแต่ใจนี่เมื่อได้รับอารมณ์โกรธจากจิตที่ส่งเข้าไปสู่ใจหัวใจก็จะทำงานนะขึ้นไปอีกขนโกรธหัวใจจะเต้นไม่ปกติเต้นรุนแรงหน้าแดงหูแดงจมูกแดง ทำให้บุคลิกเราเปลี่ยนแปลงทันทีเดียวหน้าก็ยิ้มแย้มแจ็มใสก็บึง่งตึงทะมึงถึงน่ากลัวอเอาไว้ ท, วทุกส่วนก็เริ่มเครียดเมื่อเลือดมันฉีดแรงหน้าก็จะต้องแดงเป็นธรรมดาจมูกก็แดงหูก็แดงเพราะนั้นหลักการปฏิบัติต่อ จิตใจของเราคึ้เอาจิต ด, ดวงนี้ยมาฝึกให้มีสติอยู่กับปัจจุบันธรรมโดยส ม, ม่ําเสมอเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องสัมผัสในปัจจุบันดับได้ในปัจจุบันมันก็ไม่เป็นอดีตดับได้ทันทีสัมผัสพรับก็หยุดทันทีพระพุทธเจ้าไม่สอนให้เราเขาด่ามาเราดาไปไม่ใช่หรอกนะ หลักคำสอนพระเจ้าเนี่ยท่านบอกคนโกรธที่หลังนี่เร็วกว่าคนโกรธก่อนเยอด้วยเราจงเมื่อเขาด่ามาเราต้องํำนึกถึงคนด่าทันทีที่เดียวเมื่อคนด่าเราเนี่ยเขายังไม่เชื่อรักเราอยู่นะเขาจึงด่านั่นการที่จะทำให้ดีที่สุดเราก็ทำใจให้มีเมตตาต่อคน เขาด่าเราอืมแเราโ้ษด่าเราสาทเทยยียเสถียอะไรก็แล้วแต่เถอะนั่นแหละเขายังมีเชื่อรักเราอยู่ถ้าเขาไม่รักเราเขาจะไม่ด่าเขาจะไม่บริพารคำรุนแรงออกมาใส่เราเขรรค์แล้วก็เมื่อแล้วก็เป็นอย่างนี้แล้วเราก็ต้องเมตตาที่เขาด่ามาเราควรจะตอบโต้อย่างไร ขวรจะตอบตัวสาธุสาธุในใจนะอย่าไปพูดดังๆเดี๋ยวเขาได้ยินก็เขาก็หลังโมโหอ่ะเขายินก็จะอะไรคว้างใไงอีกทาทําในใจทําใจให้ได้ให้มีเมตตาต่อคนด่าว่าเขายังอุตสาด่าเราเนี่ยเราจะได้สติขึ้นมาบ้างสาธุสาธุขอเธอจองเจริญเจริญเถิะ ทำใจด้วยนายจำใจใ ห, ให้เหมือนกับปากที่พูดเลยนะถ้าทำใจไม่ได้บ้าจาว่าจะปากอย่างเดียวก็ไม่ได้ผลอะไรไม่ว่าเขาจะด่าเราเสียหายยังไงแล้วแต่นั่นแหละเชื่อเชื่อลักเขายังมีแกเ่เรายังมีอุตสาหเห็นใจช่วยด่าช่อ ว, ว่าช่อยก้าวเราควรจะเห็นคุณเขามากกว่า ไปด่าต่อค้นด่าตอบเรียคนในละคุณทันทีเลยแล้วคนโกรธที่หลังเนี่ยมันจะเกิดรุนแรงขึ้นเขาด่ามาคำแล้วด่ากลับไปคำเนี่ยเขาจะไม่ห้าคำแล้วสาดกลับไปอีกทีเนี่ยดียมาดีมาทั้งมือทั้งเท้าอีกท่า น, นีย่ยุ่งใหญ่ละ เพราะนั้นไม่ว่าสามีปรญญาไม่ว่าเพื่อนผู้ไม่ว่าใครก็ตามที่สื่อมาถึงเราในความรุนแรงต่างๆนี้จะเป็นด่าจะเป็นกํามนิติเตียนเราก็ต้องยอมรับด้วยด้วยความรักด้วยความเมตตาสามีโอเคโเขายัางอุตส่าห์มาด่าเรานะลองคิดดูสิ น่าสงสารไหมล่ะคนดาค่าก็ไม่พอใจเราเจึงเขต้องทนไม่ไหวต้องด่าเนี่ยเราอาจจะมีอะไรบางสิ่งไม่อย่างก็ได้ที่เป็นสิ่งที่สังคมไม่พึงปรารถนาแสดงออกไปทางกายทางวาจาในหลักของพุทธภาติพุริเจ้าตรัสว่าอัตาอตาเฮเวสัทงทิโย่ไมัมเชินะนตนนั่นแหละเป็นดีเห็นไอัต ตานาโจริยัตานังจงเตือนตนด้วยตนเองอาตานางอาตตานางนาทิวติยะบุคคลไม่ควรลืมตนอปะมาตานามียติผู้ไม่ประมาทย่อมไม่ตายเราอาจจะแสดงอะไรออกมาในพุทธวิโุโรงตริตไม่อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นที่ไม่พึงพอใจ แม่งนั้นเขยังอุตส่าห์ด่าเราหรือว่าเขายังอุตส่าห์ากล่าวคํารุนแรงแก่เราก็เพื่อให้เราได้จานึกเราควรจะจํานึกให้เวทาเวตาเขาแล้วยังจํานึกด้วยว่าต่อห น, นี้ไปท่านจะไม่ทําอะไรให้ถือลําบากใจอีกเนี่ยและอย่ากโกรธเขาเขาจะโกรธเราจากกี่วันกี่เดือนกี่ปีช่างเราไม่เกี่ยว เรามีแต่ความเมตตาต่อเขาทุกเวลาที่เราเห็นหน้าทุกเวลาที่เขาแสดงอาการเราไม่ดเราไม่เห็นไม่สามารถจะเห็นเข้าได้เขาก็แทกทําสิ่งใดดังเปี้ยงป่างให้เราหันไปเขาแสดงอาการของกานด่ามั่งตำหนิเตียนเรามาแบบชนิดไม่กล้าออกออกเสียงเพราะมันอยู่ไกลเนี้ยเราก็ควรจะ ให้ความเมตตาเขาอย่างสุดซึ้งอว่าเขายังอุตตรมีเมตตามาว่ากล่าวเป็ น, เ ป, นเป็นเชิงตักเตือนถึาจะด่าอย่าง น, นิดแหลกเหลวคิดว่าอาจจะไม่อหยากเงาเพราผีกันก็ไม่เป็นไรเราเราอย่ากโกรธเขาอย่างเดียวฉันเรื่องจะไม่ไม่บานปลายเราหยุดซะ ช่วระยะไม่กี่ไม่ถึงครึ่งเดียวเดี๋ยวเขาต้อตงหยุดเขาจะด่าเรายาวไปอีกจนกระทั่งข้ามืดก็เป็นไปไม่ได้หรอกคนเรามโหก็ชั่วงระยะหนึ่งแต่เดี๋ยวเขาก็อาจจะดีไปถ้าเราไปไม่ตอบไม่โต้แล้วก็เรื่องราก็จะไม่ยาวยืดไม่ทะเลาะเบาแหวงไม่ถึงก็ทำลายร่างกายกันในเงี้ย มันไม่ได้เสียเกียรติเลยเหรอกเรื่องหยุดซะเนี่ยไม่ใช่ว่าหยุดแล้วเอมันจะมีเสียงข่มขู่ในใจอย่างนี้เราก็เท่ากับว่ายอมรับความเคีงในสิ่งที่เขา ด, าด่าเลยนี่อันนี้มันพวกม า, ารแล้วมันยุเราในใจนี่อย่าไปเชื่อมันแล้วไม่โกรธด้วยแล้วไม่ด่าดตอบ ด, ด้วย ถ้าหากมีวันหนึ่งวันใดในฐานะที่เราอยู่ร่วมกันเดือนปีผ่านอะไรเงี้ยไปเจอกันในสถานที่เปลี่ยวๆสองต่อสองป้ายรถเมย์บ้างหรือว่าตามหนนนทางเจอสวนทางกันอย่างเนี้ยเราไม่โกรธเขาเนี้ยเ็าเดินสวนทางมานี่ขวบของพลุงวลังมา ถ้าแต่ว่าแม่เราหน่อยก็ยยไไยพูดให้มันไพเราะสักหน่อยไปไหนมาคาป้าเนี่ยพูดให้มันเต็มอกเต็มใจออก่าจากจิตจากใจที่แท้จริงด้วยคว า, ามที่เราไม่โกรธเขาเนี่ยจิตเรามีเมตาเเมตาเนี่ยเมตตาในจิตในใจของเรามันจะออกมาันเป็นวิจีกรรมที่ไพเราะแล้วก็เป็นสิ่งที่ เขาจะจำนึกได้ขณะเดียวที่เขาเห็นเราเดินมาจากไกลเขาคิดว่าวันนี้เด็กคนนี้มันคงจะคิดบัญชีเราแน่ๆแล้วเพราะเราก็ไม่มีเพื่อนด้วยในสถานที่นี้มีมีจุก้นตะกา้มามาปักและปักตะกา้าเตรียมพ้องแต่เราเจอเข้าเรากับดีใจว่าโ อ, โอจะได้พูดให ป้าเนี่ยหายโกรธหายเกลียดเราทัที <S 2> <S 2> <S โกรธเกลียดมานานแล้วด่าเรามานานแล้วแต่แทนที่เราจะอาฆาตพยาบาทจองเวีนจองกรรมเรากลับเพื่อจะแก้ไขปัญหาต่างๆที่แก่ได้อัดขัดเคืองต่อเราให้ได้อ่าขี้คลายไปในทางที่ดีมาถามไปนนมะค้าป้าเนี่ย ธรรมดาคนที่เขาโกรธเราลึกเกลียดเราก็จะนึกฮึดขึ้นมาในใจไอเด็กคนนี้หน้ากูยังไม่อยากจะเห็นมึงเลยมึงยังมาทักกูอีกสักพักก็จะนึกขึ้นมาได้ไอลูกเราจะอีกหลานเราจะอีกด่ามันทีท้องทีมันไปจะเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปี ไม่อยากให้เห็นหน้าเลยอะเดี๋ยวคนนี้เจอทีไรเราด่ามันทีไรมันก็ไม่เคยด่าเราด้วยมีน้ำคระมันก็ไม่ใช่แดงการโกรธเรด้วยเราก็รักษาบุคลิกภาพให้ให้อยู่ถ้าเราไม่โกรธแ่อย่างเดียวบุคลิกภาพของเราจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยอืมมันก็ชัดกระมำเสมอสีสันวันนะก็จะเป็นปกติ เดินเหินก็เป็นปกติเวลตาก็จะเป็นปกติเพราะสิ่งเหล่านี้มันสื่อได้ให้เรารู้ได้ทั้งนั้นแหละว่าความเคลื่อนไหวในจิตใจเขาเป็นอย่างไรอันนี้แหละเมื่อเขารู้ว่าเราไม่โกรธเขาเดี๋ยวเขาจะอดถามไม่ได้ไอ้หนูป้าใดยมงไงตั้งนานไอ้ไม่เกลียดป้าเลือดเลย หลักพุทธศาสนาสอนเราอย่างนี้นะไม่ได้สอนเนี่ยเขาด่ามาด่าไปอย่างพ่อแม่บางคนยังสั่งสอนลูกไม่ถูกอย่างเตี่ยจะมานี่ยอย่างโอมไม่ได้ไปต่อยใครแพ้มามันก็นอนให้มันเหยียบเพื่อมันตายอย่างนี้จะให้ชนะท่าเดียวเนะี่ยในการที่เราไม่ตอบโต้ไม่ใช่เราแพ้แต่เราไม่อยากจะให้ เรื่องราวต่างๆนี่มันยาวยาวยืดไปเพราะมันของแก้ไขได้มนุษย์เราสามารถพูดกันได้ยามที่จิตใจปกติเดี๋ยวเขาก็จะหันมาถามเราเพราะเขาหันมานึกในใจเราว่าไอเด็กคนนี้แม่ดาวดาวตรงนั้นจิตใจมันช่างหนักแน่นแท้จริงๆไม่มีอาการว่าจะโกรธ จะคาดพยาบามจงเวนต้องการมแม้หน้าก็ไม่เห็นงอระหว่างเราดา่าเราก็ไม่ทะเล้นด้วยไม่ล้อเลียนด้วยเราก็หยุดด้วยความเคารพในผู้ดา่าเราเมตตาเขาเราก็ต้องเคารพเขาเพอเขาเชื่อใจเรา เขาเชื่อใจเราโอ้เด็กคนนี้นิ ด, น ด, นดใจมันหนักแน่นดีหนูไอ้หนูหนป้าดามนต้องนะั้นนี่มันเกียดป้าเล้โอ้จะเก็ียดป้าจะมีวันนี้ได้ยังไงล่ะมาป้าของหนักผมช่วยถือช่วยช่วยยิวช่วยหลงเาคาะแกไปโอ้ตอนนี้ก็กหันมาชอบใจเรานี่งานเข้าแล้วทีนี้ ไม่ไว้ใจลูกซะแล้วไว้ใจเด็กที่มีความหนักแน่นมั่นคงแล้วเราลองคิดดูยุคนี้สมัยนี้จะหาคนจิตใจหนักแน่นมั่นคงในการที่จะคบกันไว้อย่างยาวนานเนี่ยยากยากจะหาได้ลองคิดดูสิอ๋อมันหายากนะคนที่มีใจหนักแน่นมั่นคงมีเหตมีผล ที่ไม่ตอบโต้เพราะไม่อยากให้มันเป็นเรื่องยืดยาวต่อไปเราควรจะปรับปรุงความเข้าใจขั้นเสียเรามีมิตรดีกวมีศัตรูในหมู่บ้านแล้วก็ดีในละแวกบ้านใกล้เรือนเคียงก็ดีตำบลใกล้เคียงก็ดีอำเภอใกล้เคียงก็ดีถ้าเราทุกคนเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราเราแสดงตัวเป็นมิตร ไม่ได้เป็นศัตรูไปทุ่ทั่วจะมีอะไรเกิดขึ้นล่ะเห็นเขาทําดีเราก็ควรจะโมทิตากินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีไม่อิจฉาริษยาเนี่ยสาคัญตัวนี้สาคัญที่สุดไม่ใช่เห็นเขาทําได้ได้ดีอะไรได้ดีแล้วก็อิจฉาริษยาอยากให้เขาอา่พบความไหชนะ หรือว่าให้เขาเสียหายถ้าเมื่อเราทำใจแบบนั้นแล้วเนี่ยคนมียศก็จะเสื่อมยศเลยคนมีลาบจะเสื่อมลาบคนรวยจะกลายเป็นคนจนถ้าเราไม่มีพิจารจิตต่อกันเนี่ยอันนี้สำคัญที่สุดนะหลักการลงชีวิต ในหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าราทำได้อย่างนี้เนี่ยโอ้ม่วีทะเลาะกันหรอกรักกันจนวันตายนะแล้วเวลาเนี้ยศานสนาพุทธที่สำคัญที่สุดนะเป็นศาสนาเดียวฉันในโลกจะเป็นเป็นที่พึ่งของมนุษย์ชาติได้โต่ละที่หรือมันต้องเอามาพูดอขี้เกียจเดี๋ยวเขาจะหาหเหยียบย่ำทำลาย คนในโลกนี้เราไม่ต้องไปแบ่งอย่าไปแบ่งชั้นวันหน้าว่าเขาเป็นคิกเขาเป็นพุทธเขาเป็นอิสลามเขาเป็นอะไรก็แล้วแต่เขาเป็นไทยเขาเป็นขเขมรเป็นพมา่าเป็นไรแล้วถือ่เป็นมนุษย์ด้วยกันอยู่ร่วมโลกเดียวกันแม้ภาษาจะแตกต่างกันว่า แต่ไม่ถึงกับมนุษย์กับมนุษย์จะสื่อกันไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ยากถึงพูดภาษากันไม่ได้แต่ก็ยังพอสื่อภาษาใบ้ด้วยกายของเราได้ด้วยกิริยาได้อันนี้แหละเป็นหลักธรรมคาสอนของพุทธเจ้าที่ว่าทำ โมตุนโนทุก ข, ขมาวหาติธรรมที่ประพฤติแล้วธรรมคือธรรมะที่เรามีความรู้มีความเข้าใจที่จะรักสมัครส ม, รมานกับคนอื่นโดยอาศัยธรรมเป็นสื่อเชื่อมโยงให้เกิดความศรัทธาเลื่อมใสในเพื่อนต่อเพื่อนอเหรือ ว, ว่า ถ้าเรามีเมตตาแบบนี้อยู่ในจิตในใจของเรานะแม้ว่าเราจะเอามาใช้กับฝ่ายตรงข้ามมันก็ยังเป็นเมตตาที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้เมตตาเหล่านี้ได้ถใอยเรามีเมตตาจริงๆเลยแล้วกันเมตตาพิกเวเจโตมุติยา อันนี้สำคัญที่สุดนะหลักการดำรงชีวิตเราจะได้ไม่มีศัตรูมีแต่มิตรไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่ า, าใครก็แล้วแต่ครอบครัวก็ต้องรักสามัคคีกันระหว่างบิดามันดาลกูกเต้าเหล่าหลานต่างๆนี่ในหมู่บ้านเราก็ตัง้งสังคม เราก็ต้องสามัคคีเมตตาปราณีซึ่งกันและกันหมู่บ้านเราก็จะเข้มแข็งมีอะไรก็จะช่วยกันทําช่วยกันพัฒนาให้มันก้าวหน้าสืบต่อไปไม่ใช่แย่งกันทําชิงกันทําอิจฉากันทาแบบนี้มันไม่เจริญหรอก อย่างดีก็ได้จะแข่งกันไปช่วงระยะอันเดี๋ยวก็ต่างคนต่างเลิกแล้วแต่ถ้ารักกันจริงๆเนะมันยาวนานครอบครัวก็ไม่แตกแลาด้วยถ้าเป็นครอบครัวนะน่าต้องสำคัญที่สุด ครอบครัวเนี่ยสามีปรรัญญาอย่าทะเลาะบอกแวงกันอย่าอย่าได้นำเอาเรื่องราวที่ไม่เป็นมงคลเอามาพูดเอามากล่าวกันให้เกิดให้เกิดวิจพากาลมกันอย่าทะเลาะบอกแวงกันแล้วเงินจะเข้าบ้านถ้าทะเลาะบอกแวงแล้วเงินไม่ค่อยเข้าบ้านด้วยครอบครัวนั้นเดี๋ยวมีเด้หมดถึงอันนี้สำคัญนะ แม้แต่ลูกเต้าก็เหมือนการต้องรักพ่อรักแม่ต้องกกรู้จักกันูกตเวทธิตาตอบิดามารดาถ้าทำได้อย่างนี้ครอบครมมีแต่ความเจริญหมู่บ้านเราก็เจริญอยู่อเภอไหนมีเยอะๆก็เจริญขึ้นจังหวัดไหนมีเยอะๆก็เจริญขึ้นถ้าเรานำธรรมะคาสอนพระเจ้ามาใช้กันในฐานะเป็นพุทธศาสนิกชนเราเป็น เป็นพุทธานิชนแล้วยอมรับนับถือพระเจ้าด้วยอาศัยใจชนาคมคือพุทธทงัทงคำมังสังขัท ง, ท, ง, ท, งที่มากล่าวกราบข้าพเจ้าพอถึงพระเจ้าไปได้ที่พึ่งว่าทำไปได้พึ่งพระสงฆ์ไปด้ที่พึ่งแล้วเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าพระเจ้าสอนอย่างไรจะพึ่งเราจะพึ่งท่านได้อย่างไรไม่ใช่พึ่งโดยการอ้อนวอนขอพร อ, อะไรต่างๆนี้อันนั้นเป็ น, เ ป, นเป็นกรณีพิเศษสําหรับบุคคล ซึ่งใครก็ไม่อาจจะบอกใครได้ว่าเรากราบพระเจ้าแล้วเราขอความเป็นสิ่งมงคลเอาอะไรมาเป็นสิ่งมงคลในตัวเราท่านมีสิ่งมงคลในตัวของท่านตลอดเวลาแต่เราที่มีบ้างไม่มีบ้างเราก็จําเป็นต้องอาศัยมงคลจากผู้ที่เป็นมงคลที่สุดในโลกเนี่ยมาเป็นชนะที่พึ่งทางใจของเรา เอาธรรมะก็เอามาไว้ที่ใจเราเอาขันติธรรมก็ไว้ที่ใจเราเอาวุฒิธรรมไว้ที่ใจเราเอาเมตาตาธรรมก็ใส่ไว้ที่จิตที่ที่จิตเราน่ะอืใส่ไว้เวลาเจอปัญหาเจอปาร์กจะได้นําออกใช้อย่างไม่อไม่ฝูดเคือง แล้วก็ไม่อยากจนเพรา ะ, ะไรเพราะเรามีธรรมะเป็นธรรมที่สูงส่งในบรรดาอเครื่องประดับทั้งหลายที่เราจะนําเอามาใส่จิตใส่ใจเหล่านั้นไม่มีอะไรเราเอาพรเครื่องประดับจะประดับดีเท่าธรรมะคาสอนพระเจ้าประดับไปชิ่จิตที่ใจเรา เราจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองครอบครัวก็มีความร่มเย็นเป็นสุลูกหลานก็รู้จักรักสามัคคีให้ความเมตตาปาณิโตลูกต่อหลานลูกหลาน ก, ก็ให้ความกัจจันตเวทีตอบิดามารดาเลี้ยงเลี้ยงเขาให้ให้มีความกัจจันติอย่าดุอย่าตีอย่าใช้คํำพูดอัน ไม่เป็นมงคลแก่ลูกแก่หลานอย่างเงี้ยอย่าดา่าให้ความเมตตาบานีอย่าขัดใจจนเกินข้อเหตุอะไรควรตามใจก็ควรตามใจแล้วลูกก็จะรักเราสิตอนนี้กลับจกโรงเรียนไม่ไปไหนวิ่งตุดกลับบ้านหาแม่ดีฝ่าแม่ก็จะเก็บอะไรไว้รองรับลูกกลับโรงเรีย น, นหิวๆมาก็ จะได้ผ่อนคลายความเิวไปได้หน่อยหนึ่งแล้วถึงเวลาอาหารเย็นก็จะได้กินอาหารเ ล, เล็กน้อยก่อนอาหารเย็นจะมาถึงก็ยังได้ออกไปวิ่งเล่นกันอีก เ, เป็นเด็กมันสนุกนะถ้าพ่อแม่เรามีความเมตตาปาณีไม่ดุไม่ดุด่าว่ากล่าวเนี่ย อันนี้สำคัญที่สุดไม่ใช่มาดุด่ามากับปล่อยจนเสียผูย้เสียคนเราต้องดูพฤติกรรมวางอย่างควรส่งเสริมก็ส่งเสริมไปเล่นอย่างนี้มันมีปัญญาเล่นให้เกิดปัญญาเล่นให้มันมีวิชาความรู้อะไรเงี้ยจะมาถูปกครองมาด้วยพระเดจ ก, การ สมัยเป็นเด็กเด็กเตียดุจริงจริงทำอะไรดุมากที่สุดก็คือขี้เกียจถ้าขี้เกียจในเตียดุจริงจริงนอนตื่นสายอีกอย่างเนี่ยนอนตื่นสายไม่ได้เลยอยู่ก็เตี่เนี่ยตื่นก็ต้องตื่นแต่เช้าออแล้วก็ต้องขยันถึงมาต้อง อะไรก็แล้วแต่ฝาดรานบ้านก็ดีฝาดบ้านดีถูบ้านก็ดีตื่นมาต้องทำทันทีทีเดียวถ้าใครตื่นขึ้นมาได้ย่างนอนสายจนกระทั่งเกิดตื่นมาก่อนแนละ้วเป็นเรื่องไอ้ท่านนี้นี่แหละ การปลุกคอแก่ลูกแก่หลานเนี่ยสําคัญนะเราเลี้ยงเขาดีๆเราเลี้ยงเขารักเขาจริงๆอะไรจริงๆอย่าพูดคดําำใดที่มันเป็นสิ่งที่อับปมงคลแก่ลูกแก่หลานอให้เขาได้รับความเล็กบางคนก็มีสานึกตั้งเล็กๆ ก, ก็เหมือนกันแต่ก็พูดไม่ได้แล้วเวลาเตียงตีเวลาตีเนี่ยแม่รกเที้ยนตี ตีแล้วเจ็บไปยังไมใ่ใรองได้เนี่ยตรงนี้อยิ่งร้องยิ่งตีหนักไอเราหยุดร้องไม่ใช่ว่าเราเข้าใจเหตุผล่ะหยุดร้องก็โกตดตีโคดตีเทตีนั้นเงีงควรจะให้เหตุผลแถ้าเคี่ยนจะตีก็ไม่ว่าแล้วให้มีเหตุผลมีจังหวะจะโขนเท่าไหร่ไม่ใช่เอาแต่โธ่สะทุ่มเข้าไปทุ่มไปอือป ยังม่ให้ไม่ใร้องอีกเจ็บแย่แล้วไม่ไม่ให้ร้องจะร้องผ่อนคลายพี่คายความเจ็บปวดว่าร้องไม่ได้เนี่ยอันนี้สําคัญนะการปุกการุูแลลูกเต้าเหล่าหลานเนี่ยถ้าเราเอาแต่พระเดชยอย่างเดียวเนี่ยจะให้กลัวให้ลนลานไปอย่างเนี้ยดีมีเด็กก็เลยแก่ไม้ไปเลยตอนนี้อืมเพรนั้นการที่เรา เป็นชาวพุทธเนี่ยยิ่งยุคนี้สมัยนี้ลัฐที่อื่นๆเละเป็นโจกไปหมดแล้วไม่อยากจะพูดว่ารัฐที่อะไรเดี๋ยวเละเป็นโจกศาสนาเละเป็นโจกแต่มีพุทธศาสนานี่ยังเป็นหลักจะเป็นที่พึ่งกับสัตว์โลกได้ทั้งชาตินี้ทั้งชาติหน้าชาตินี้เราทําดีที่สุดอย่างป่วยนันว่าเกิดทั้งทีท่นบอกเอาดีให้ได้ตอนจะจากท่าน ตายทั้งทีให้ฝากเดียวไว้คําพูดสั้นๆของท่านเพียงแค่นี้ทําให้เราตะหนักอยู่เสมอจําได้แม่นยาำด้วยเกิดทั้งทีเอาดีให้ได้เพราะมันเกิดยากนักป่วยจะได้เกิดเป็นมนุษย์ทั้งทีเนี่ยโดยมากเป็นอย่างอื่นชะเยอะเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนชนิดเป็นมนกแค่ชนิดเดียวในโลกนี้ที่มีอบารมีสูง เนี่วะเกิดเป็นสัตที่ประเสริฐนี่ประเสริฐอย่างเราเบื้องต้นประเสริฐขั้นต้นต่างคนต่างไม่มีความรู้ก็เราก็ย่งวิปัญญาดีพอสัตย์เดชานอยู่นั่นะเช่นการทำลังทำลังที่อยู่ที่อาศัยถาวรส่วนลังสัตย์เดชานว า, างอย่างเพีรร้ยงนกนกหนึ่งก็ทำดีทำละเอียด แต่มันอยู่ไม่ถาวรก็เพราะมนุษย์เราชอบทำลายไม่ก็ถูกพายุวังอะไรมั่งมันไม่ไม่ไม่ไม่ถาวรเท่าที่ควรแล้วก็นิจัยใจคอก็สัตว์เดชานบางอย่างก็ดีพอมนุษย์ที่ยังไม่รับการอบรมบ่มเพาะบ่มสอนเนี่ย เราจะเห็นได้ถ้าหากว่ามนุษย์เราอ น, นิสัยของเดียชานมาใช้เนี่ยก็ไม่น่าคบไม่น่ารักน่ารังเกียจและน่าจะอยู่ให้ห่างไกลคนเหล่านี้แม้มีบ้านอยู่ใกล้เคียงกันก็ไม่อยากอยู่เพราะมันคอยจะมีเสียงอัปมงคลข้ามรั้วข้ามเขต ม, มาถึงบ้านเราอยู่เรื่อย นี่สำคัญที่สุดเลยถ้าเราทำดีเรามีบา ร, รมีสร้างแต่ความดีแล้วความดีนะ่าจะคุ้มครองเรายิ่งลุกนี้ต่อนับแต่นี้ต่อไปโลกเราจะไปแต่วิกฤตหนักขึ้นหนักขึ้นดินน้ำลมไฟจะแรงขึ้นแรงกว่าเก่าน้ำมาก็แผ่นดินก็อาจ ไลายถล่มลงมาอย่างปีนี้เมื่อต้นปตีตั้งก็ปลายปีมันเนี่ยจังหวัดเชียงรายก็โดนหนักลำปางเชียงใหม่ช้างตายถึงสองเชือกลอยมาในน้ำช้างนั้นก็รู้ึกที่มีอายุหน่อย แล้วจากเชียงรายก็ไปไหนอีกจากเชียงรายก็น้ำนั้นก็ไหลไปลงในน้ำโขงล่อ ง, องเออขึ้นล้นตลิ่งเข้าท่วมอีสานใต้เข้าเชียงเข้าไอ้ประเทศเข้าไอ้จังหวัดหนองคายแถบนี้ ถูกน้ําท่วมอีกไม่ใช่น้นอยๆเหมือนกันแต่เชียงรายท่วมหนักหนาสาหัสหน่อยเพราะน้ํานี้มันมาจากแม่น้ํากกแล้วก็ดินก็สไลลงมาอพอน้ําลดดินเข้าไปครึ่งครึ่งบ้านเลยต้องบูรณะปะปูนใหม่สร้างฐานะมาเป็นยาวลายยาวนานต้องมาถูกน้ำํำถล่มทีเดียวแทบจะเจ๊งหมดเนื้อหมดตัว น้ำแพ้งแล้วยังต้องขนดินออกจากบ้านอีกเพียน้อยมาเข้าเชียงรายเข้าเชียงรายก็ทำเสียหายอีกเยอะหยุดไปสองสวาวันโผ่ปัดใต้อีกยะลาปัตตนีาก็นครศรีธรรมราช ก็สุมพรตอนหลังก็ท่วมสุมพรจุาเพลินด้วยเนี่ยปีนี้ภัยธรรมชาตินี้หมดกันหมดไม่ใช่น้อยๆทางรัฐบาลก็ต้องจ่ายทั้งภัยชาติประชาชนก็เสียหายอันนี้ก็คิดว่ามันเป็นภัยธรรมชาติที่มันเกิดขึ้น ระหว่างที่ผู้นำก็ดีผู้ปกครองประเทศกรดีสมัยก่อนสมุลญาสิทธิราชพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าพระราชาตัดเป็นพุทธภาติตแปลออกมาเป็นภาษาไทยไทยว่าถ้าพระราชาผู้ทรงธรรมราชดอก็อยู่เป็นสุขสมัยนั้นพระราชาปกครอง ผู้มีบุญญาบารมีเนี่ยน้อยองค์นักที่จะปกครองแล้วจะไม่เกิดความเจริญรุ่งเรืองยากนอกจากพระราชาที่ไม่ตั้งในทศพิธราชธรรมหมกมุ่นอยู่แต่กามคุณแล้วก็ประเทศก็จะแย่ราดองก็จะเป็นทุกข์หนักอันนี้ เรามาดูยุคนี้สมัยนี้ตั้งแต่สมุ่งเนี่ยานาซิทธิลาตแล้วเปลี่ยนมาเป็นประชาธิปไตยมีอะไรดีขึ้นบ้างองสี่ 4, 7, 5, เจ็ดห้าเลื่อยมาจะถึงบัดนี้บัดเนี้ยกาลังเลวเต็มที่แล้วไม่ว่าประเทศเราประเทศเขาหมาม ห, หน้าต่างๆก็เลวจนไม่อยากจะมองหน้าเลยพูดไรมีศัจจ์หาศัจจ์อะไรไม่ได้เลยนะ ประเทศความนา่าต่างๆนี้ก็เป็นหนี้เขาจนหาไปกู้ประเทศใครเขาไม่ให้แล้วไปหลอกกู้ประเทศเล็กๆน้อยๆเอาดอกเบี้ยให้เขาสูงๆกู้เขาแล้วดอกเบี้ยสูงๆแล้วก็ดีไม่ดีก็จะให้เขาหรือเปล่าก็ไม่รู้จะมีให้ปล่าถ้าล้มอะไายก็เจ๊งเพราะนั้นเดี๋ยวเนี่ยมว่า ประเทศล้มลายเราก็กำลังจะดำเนินไปสู่ความหายณะเหล่านั้นเพราะเรามีผู้นำฝ่ายคารวาดฝ่ายประชาชนปกป้องประชาชนอย่างนี้และประชาชนไม่มีวดัดบัตินาบรมีทำอะไรไม่ได้เห็นกับประชาชนเห็นกับ ปากกับท้องกับพวกกระพองอะไรๆนัยยบายแต่ละอย่างขึ้นมาแต่ละอย่างเนี่ยมีแต่จะพาไปสู่ความิยาณาทั้งนั้นเนะนี่ยนัยยบายแบบคล้ายๆก็ขายประเทศถ้าเราตา่อตามตามปล่อยตามใจก็าอาจจะสูญเสียดินแดนเสียสุนเสียแผ่นดินไทย เสียเสียทิปไตยต่างๆหลายอย่างเวลานี้ภัยทั่วทั่วไปรอบๆประเทศเราเนี่ยในยุโรปนี่ต้องมีตั้งหลายคู่นะคู่แรกที่สร้างความเดือดร้อนทางถึงทุกวันนี้ก็คือรัสเซียกับยูเครนะเห็นไหมรสเซียยูเครนเนี่ยคิดต่อคิดลบกันลองคิดดูสิ สามปีมาแล้วยังไม่ชนะไม่แพ้กันอิทเรเอวาคามาอีกับกีลานอีกนนี่อีกคู่แล้วเมื่อเร็วนี้ก็ขบวก็ล้มซีเรียไปขบวกับอิทเรเอวร่วมกันล้มคุล้มไอซีเรียไปอีกประเทศหนึ่งห้าูด พัะานาที่ดีต้องไปอาศัยปุกจินอยู่้วลนี้และทะเลจีนใต้เนี่ยไต้หวันก็จีนจีนก็อยากจะเอาคืนในในเร็วๆวันนี้ถ้าเอาคืนเมื่อไหร่ก็อเมริกาเข้าแทรกอีกสงครามกํากำลังจะระเบิดแล้วติดกระดนเราก็มีอีกติดชายแดนเรานี่เวลานี้สองพันฟากกิโล ถ้มันพังเอเดี๋ยวนี้มันไม่พังก็เข้าประเทศไทยเป็นล้านล้านล้านเนี่ยเวลานี้เข้าอยู่ในประเทศไทยเป็นล้านล้านเน่ยอย่างเข้าหมายอย่งไม่จำเจียมตัวอย่างกาะความทำแข็งกันเองอีกทะเลาะเบาแหวกกันฆ่ากันอะไรสารพัดในกรุงเทพเวลานี้ไปที่ที่ทาเป็นค้าตลาดนัดคนไทยทำแต่ก่อนเดี๋ยวนี้พวก พม่าทำทั้งนั้นแหละนัดต่างๆในเทพเนี่ยนี่ลหละขอให้มองให้มันเห็นความความลำบากที่จะต้องกระทบปผพงกระทบระยะไม่นานเนี่ยยังไม่รู้จะถึงนิวเคลียร์เปล่าแต่คิดว่าคงเมกล้าเรื่องนิวเคลียร์เนี่ยแต่ไอจรวดเนี่ย ชาหัวนิ้วเคลียเล็กๆน้อยๆนีน่นนนนนนใช่กันอยู่เรื่อยอาวุธก็รุนแรงขึ้นเรื่อยจะใครกดปุ่มก่อนก็ต่างคนต่างตายแต่ประเทศที่จะรอดตายได้ก็ประเทศที่เมืองพุทธนี่แหละถ้าเรามีบุญมีกุศลเราสามารถรอดได้พายุใหญ่ลมแรงมาแล้วก็อาจจะรอดได้เพราะเรามีบุญที่เราตั้งสงไว้เนี่ย อธิษฐานเอาบุญเอากุศลน้องเราช่วยให้ประเทศเราแค่งค่าจากาภัยพิบัติต่างๆนี้ช่วยกันสวดมนต์ช่วยกัรภาวนาบ้างอย่าปล่อยใจเหมือนอย่างผ่านมาที่แล้วสมัยปู่ย่า ต, ตายายเราเนี้ยไอ้นั่นในาน้ำมีปลาในานามีข้าวมันก็เลยทำให้เราเนี่ยประมาทกันยกใหญ่เนื่อว่าน้ำมีปลาในานามีข้าว เวลานี้ที่อื่นเร็วเร็วที่สุดแต่บ้านเราอย่างดีกว่าที่อื่นนะดีกว่าที่อื่นมากมายตั้งแะเวลาเนี้ยทั้งทางเสียงเราก็เร็วที่สุดงานผู้นําเราก็เวลานี้นี่แหละให้จตหายาโยมทั้งหลายเราเป็นชาวพุทธเนี่ยวันทําบุญกุศลกันเข้าไว้บุญช่วยเราได้ทำช า, ามาช่เราแคบข้าวพิยันตายทั้งหลายทั้งปวงได้ หากว่าเราทำบุญไว้ดีบุญคือสติสมาธิปัญญาที่เราฝึกฝนอบรมจิตใจของเราเอาไว้มันจะก่อให้เกิดปัญญาอันละเอียดอ่อนลึกซึ้งเราไม่ได้ทางหนึ่งก็ได้ทางหนึ่งไม่ใช่ว่าเราไปบนบานเอาเฉยถึงเวลาผลบนบวชไหวกับไหวไหวพระก็อธิษฐานเอา อันนั้นเป็นบุญส่วนตัวอธิษฐานได้ถ้าเรามีบุญมีพื้นฐานอย่างความดีอยู่ในจิตใจของเราเนี่ยทำได้เพราะว่าไม่ใครรู้เราอธิษฐานว่ายังไงแต่เรากราบเรากราบด้วยความศรัทธาความเรื่มใจในพระธรม Buddha พระเจ้าผู้เป็นคนเดียวในโลกเท่านั้นที่จะทำอย่างท่านได้ยุคหนึ่งยุคหนึ่ง เมื่อหมดยุคท่านแล้วก็จะมีองค์อื่นเกิดขึ้นอีกแล้วผู้สร้างบารมีต บ, บัตเนี้ยจะไปเป็นพระเจ้าเขาถึงการเวลาแล้วก็ได้สมหวังว่ารมีมันเต็มขึ้นมาก็นี่แหละอืรมมาจึงบอกว่าขอให้เรา ให้รักให้สามัคคีกันจริงๆอย่าทะเลาะเบาแวงกันเป็นการเป็นที่ตำหนิติเตียนของรัฐที่อื่นๆเขาจะมามองเห็นว่าเอะเหมือนเขาเราเหมือนกันเนี่ยเราไม่เหมือนเขาหรอกเราไม่เคยลบไม่เคยเป็นลบลากกบขา้าวฟานัใครพุทธเจ้าไม่ถอนเนี่ยเขาด่ามาเราด่าไปด้วยอืมเขาด่ามามีแต่เราต้องเงียบเราพิจารณาคําเขาดา่าเราก็เงียบเราก็ควรจะให้ชินให้พรก็ เพราะเขาด่าเราไม่ว่าจะเป็นคนต่างชาติไม่ว่าจะเป็นใครด่านะคือเขาเห็นจุดบกพร่องแล้วเขาตึงด่าหรือว่าเราไม่บกพร่องแต่เขาเข้าใจผิดเขาอาจจะด่าน่าจะเข้าใจไว้เถอว่าเขายังรักเราอยู่คนที่รักเราอยู่เนี่ยเขาจะต้องด่าเราถ้าเขาไม่ด่าเขาไม่รักเราเขาจะไม่มองหน้าเขาจะไม่เข้าใกล้ด้วยเขาจะไม่เกี่ยวข้องเลยอย่างนี้เรียกเกลียดจริงๆเขาเกลียดเราจริงๆ เหมือนพอยอ่ะพอยน่ะกำเนิดขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นพอยที่มีสีเขียวอย่างเงี้ยสีแดงนี่มีมีอยู่ในพอยนั้นนิดหน่อยเท่นั้นไปเผาเขากมกระแดงหมด ท, ทั้งทั้งทั้งก้อนเขียวหมดทั้งก้อนชั้นใดก็ดีการที่เราจะาเราจะให้ คนเราทุกคนมันดีหมดทุกอย่างมือไม่ได้ก็ต้องมีบ้างนิดหน่อยก็ให้อภัยกันไอ้อยู่สูงก็พยายามเอื้อมือมาฉุดคนต่ำตๆขึ้นมามาั่งคนทีเขาอยู่ต่ำๆ่ไอ้คนอยู่ต่ำๆก็พย า, ายามทำตัวให้เบาหน่อยเวลาก็ฉุดแล้วอย่าทำตัวหนักดึงเขาลงไปในเหวซะด้วยอย่างนี้ต้องต้องระวังต่างคนต่างช่วยกัน เอื้อเฟื้อถึงกัน ก, กันแล้วก็ประเทศเราก็จะมีแต่ความเจริญไม่ต้องไปหวังพึ่งพึ่งรัฐบาลผู้นำจเจ้าอะไรมาช่วยเรา<ม>เวลานี้ก็<ม>เงินทองของเข้าต่างๆก็ไม่พอที่จะเอามาเฉลี่ยเสียตลาดแล้วเพราะของผู้นำบางบางบางบางพวก บางคนก็เอาไปเป็นสมบัติของตัวเองซะมากไม่พอจะเฉลี่ยเฉลยให้แก่ประชาชนผู้อยู่ใต้ใต้บงังคับบัญชาเนี่ยอันนี้มันทำให้มองดูหลายอย่างที่ประเทศไทยกำลังประสบเคาะกรรมอยู่ขนาดนี้เพราะผู้ปกครองไม่ดีเหมือนอย่างกับ พระพุทธเจ้าออตรัสว่าทัพพระราชาเป็นผู้ทรงทำรรตั้งในทศวิทิยราชาธรรมราชฎรก็จะอยู่เป็นสุขบัดนี้ไม่ใช่พระราชาปกครองตั้งกระจวุณตั้งแต่พระจากรู้ธรรมบรุญญาธิราชม า, มาถึงประชาธิปไตยเนี่ยมิตรเลวขึ้นเลวขึ้นแล้วประชาธิปไตยใครบางคนตั้งขึ้นออไอตำรวจโลกศาลโลกใครบางคนตั้งขึ้น ไอ้เราก็ไปหลงตามเพื่อเทนี้ไม่มีปัญญาของตัวเองไม่ไปอะไรไมเ่เอกลักษณ์ของตัวเองมังเลยตามก็ท จ, จนแทบจะเสียชู่เทียคนเวลานี้ก็กวลังจ ะ, จะหากินอย่างอื่นไม่ได้แล้วขอรับช่นไม่ได้แล้วรัฐบาลชุดก่อนก็ทำนโยบายผูกพันเอาไว้หลายอย่างที่ขยายภารกิจออกไปเนี่ย มาถึงรัฐบาลชุดนี้ไม่มีปัญญาที่จะหาของกินแล้วจะขายประเทศกินแล้วให้เข้าใจไปด้วยเนี่ยพวกเราทั้งหลายเนี่ยมันเป็นชาวไทยเนี่ยต้องรักชาติยิ่งชีพนะไม่ใช่รักชีพยิ่งชาตินะต้องรักชาติยิ่งชีพสามจาเนีจะตายก็ยังรักชาติยิ่งชีพอยู่งั้นนะเวลานี้จะเอาเราไปฆ่าไปยังไงเอามาแลกแผ่นดินไทยเอามาแลก ความทุกข์ระชาชนแฟนเทนไทยจะได้รับไม่ยอมรับเลยเอาไปฆ่าที่ไหนก็ไปเลยมันแก่แล้วด้วยไม่มีประโยชน์เลย <c oughs> ใช่ไห ม, มเพียงดู ป, ปืนนัดเดียวแล้วก็ตายได้นี่แหละขอให้เข้าใจว่าคนไทยเราทุกวันนี้กำลังอยู่ในภาะวะของความไม่ใช่จะปลอดภัยนักคงอ่ะจะบอกให้รู้นะสงครามมัน ครั้งที่สามโลกครั้งที่สามเกิดแล้วแต่ยังไม่ได้ประกาศถ้าประกาศขึ้นว่าถึงนิวเคลีย์เนี่ยนี่ยังไม่ได้ประกาศนะแต่มันเกิดแล้วนะสงครามโลกที่สามเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ไม่เกิดอันนี้แหละวันนี้ก็ได้พูดเตือนจิตเตือนใจของเราชาวไทยทั้งหลายให้รักชาติยิ่งชีพ มแม่เราเวลานีา้ลูกเรากำลังออกมาใหม่ๆน่ารักปัญญาก็น่ารักแต่เมื่อเกิดสงครามยังจะต้องไปร่วมกับเขาเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะอยู่กับลูกเราคนเดียวหน้าด้านอยู่อย่างนี้คงอยู่ไม่ได้ใช่ไหมมีมพระอยู่ได้เพราะพระหน้าทนแล้วมูแก่แล้วด้วย ทำให้ไม่ได้แล้วได้แต่เตือนเตือนให้เท่านั้น่ะให้ระวังกันให้ดีให้รักให้สามัคคีอยะะ่าะเลาวุ่นแหวนเป็นโอกาสรักกันแล้วมันทําให้มั่นคงอแข็งแกร่งสังคมก็จะแข็งแกร่งทุกทิ้งทุกอย่าง ก, ก็จะมั่นคงถาวรด้วยเพราะนั้นก็ ให้เข้าใจว่าธรรมะเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งทีเดียวกับชีวิตที่เราตั้งกับลืมตาจกนกระทั่งหลับตาลงในวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ใช่ว่ามันมีเฉพาะมาฝังตรงนี้ตื่นจากที่นอนก็ลืมตาได้สติมันทํททาต้องธรรมะก็ต้องเข้าไปถึงใจเราแล้ ว, ลวอืาเราจะต้องมองอะไรมันเห็นเป็นธรรมด้วย มีอะไรบ้างไม่เป็นธรรมมีอะไรบ้างที่มันว่างยั่งยืนถาวรมีไหมไม่มีเลยทั้งทิ้งมีชีวิตหาชีวิตไม่ได้ในที่สุดก็ต้องร่มจมออ่าแตกสลายไปหมดอไม่มีอะไรกี่หลังยั่งยืนดอกอย่าไป น, นึกเลยว่ามีเงินแล้วเงินจะยั่งยืนยาวนานกับเราไม่ใช่มีเท่าไหร่ไม่มากมากกันมันดีเงินเน่ะ ไม่เป็นความโลภหรอกขอให้เราได้ไมาทางสุจริตทั้งกายวาจาใจแล้วก็เงินที่ได้มาก็จะอยู่กับเรายาวนานอยู่มากเท่าไหร่ยิ่งเป็นประโยชน์เท่านั้น mm. เราก็ทําประโยชน์ไปที่เงินเราเมียไว้ทําอะไรถ้าไม่ทําประโยชน์เอาไว้เป็นสวรรค์มันไม่ใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่นําเราไปสู่สวรรค์ไปสู่นิพพานได้หรอกเราต้อง แปรสภาพสิมีเงินเท่าไหร่ก็เราก็ขนไปได้จะไปนิพพานจะไปสวรรค์ยังไม่ถึงนิพพานจะไปสวรรค์ก็ถ้าเรามีทรัพย์มากๆเราก็เอาไปได้อย่านึกว่าเอาเงิไปไม่ได้แล้วไม่ต้องทํามือร้อยอ่อนหมดไม่ใช่ลูกนะทําไปเยอแะแต่ได้วาันลาพันละหมื่นละแสนแต่ขอให้ได้ในทางสุจริตออให้ได้มาทางสุจริตเท่านั้นเนะี่ยมันไม่ได้เป็นความโลภ ในความหมายของพุทธศาสนาไม่ใช่ที่เราก็ไปได้ด้วยเพราะองค์ไหนเทศว่าเราไปไม่ได้เลยทำไปทำไมอย่างเงี้ยมากมายนะเนี่ยไอ้อย่างนั้นมันทำลายซะทำลายศาสนาแล้ ว, ลวก็ เป็นมีคนมีปัญญาแล้วก็เปลี่ยนไปสิเปลี่ยนไปอริยทรัพไปเราอย่าเอาเป็นโลเกียทรัพไปถ้าเอาเป็นโลกียทรัพย์ไปเราปล่อยไม่ได้แม้ตัวเราเองรักทนุถนอมเท่าไหร่ให้เข้าให้น้ำแต่ลราพัดเราก็ปลยไม่ได้แต่ถ้าเราเปลี่ยนไปอริยทัพย์ล่ะจิตมันรับได้น้ําหนักของจิตในรับอริยทรัพย์ได้ไม่มีประมาณจิตใจเราเนี่ยรับความดีได้ไม่มีประมาณ แต่ว่าไอ้ไอ้ไอ้ไอผิดของเราเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนปริทรัพย์แล้วเราก็เอาไปได้ไม่กี่ร้อยล้านก็ไปได้เหลือก็ให้ลูกให้หลานไปจากนั้นก็ทำประโยชน์ไปสาธารณประโยชน์ต่างๆก็ทำไปไมันได้บุญทั้งนั้นแหละจากทรัพย์สินของเราสร้างความเจริญให้แก่สังคมเนี่ยมันได้บุญทั้งนั้นเลยไม่ใช่ไป ว, วัดอย่างเดียวได้บุญหรอกนะ ทำให้กเด็กกำพ้าเด็กที่มันคนแก่ที่ไม่มีคนเลี้ยงดูอะไรต่างๆเนี่ยสร้างการศึกษาให้กับเด็กๆให้มันฉลาดเขวะเด็กฉลาดเนี่ยไม่ค่อยเสียดายตังทุกวันนี้เด็กคนไหนได้ที่หนึ่งปฐมให้สาม0ันมัธยมให้ห้า วุชไลจะให้หนึ่งหมื่นให้ทุกที่่ะใครไปขอก็ให้เขอให้เด็กได้ที่หนึ่งนะไอเด็กที่เกยียดไม่เอาว่ามัเฟือเงิน ไ, ได้ประโยชน์นะให้เด็กขยนันขยนันเรียนไม่ไม่ต้องเสียดายตังค์เด็กขยนันเรียนอย่าเสียดายตังค์ประเทศชาติจะได้มีความเจริญรุ่งเรือง